ดวงจะขึ้นหรือลงลางบอกเหตุอาจใบให้นิมิตหมายดีๆช่วยให้ใจคอสบายนิมิตหมายร้ายๆแกลงให้ใจเสียแต่สิ่งสำคัญที่ต้องรู้คือความกังวลไม่เคยช่วยให้ดวงดีขึ้นความสบายใจหรือความมีจิตผ่องแผ้วความมีจิตเป็นกุศลต่างหากที่ช่วยบรรเทาเรื่องร้ายที่กาลังเกิดขึ้น หรือที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นให้เบาบางลงได้จริงคนเราเชื่อแค่ลางบอกเหตุภายนอกอันหมายถึงเหตุการณ์นอกตัวแต่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับลางบอกเหตุภายในอันหมายถึงสภาพจิตใจของตนจึงผ่ากันวิ่งเต้นขึ้นๆลงๆอยู่กับดวงดาวบนฟ้าที่เอื้องคว้าไม่ถึงแล้วเพิกเฉยไม่ได้ใส่ใจกับดวงจิตดวงวิญ ญ, ญาณบนดิน ที่จับต้องได้กันเลยบางคนเห็นแค่ลางร้ายทั้งที่เรื่องร้ายยังไม่เกิดแต่ก็ใจคอไม่ดีเครียดกังวลเสราวกับเรื่องร้ายเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ทางโลกความจริงจะดีหรือไม่ดียังไม่รู้แน่แต่ที่แน่คือตอนนี้สถานการณ์ทางใจไม่ดีนั่นแหละลางบอกเหตุแย่ๆของแท้ นิมิตแย่ๆทางใจบอกเราว่าถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงคุณจะไม่เหลืออะไรดีๆอยู่เลยอย่าเชื่ออย่าให้ความสำคัญเฉพาะกับนิมิตบอกลางดีลางร้ายภายนอกให้ดูนิมิตทางใจที่ปลอดโปรง่งหรืออนลมานไปด้วยหากนิมิตทางใจเป็นไปในทางสว่างอยู่ข้างกุศลก็ประกันได้ว่า จะไม่มีอะไรข้างนอกมืดจริงไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือข้างหน้าแต่หากนิมิตทางใจเป็นไปในทางมืดอยู่ข้างอากุศลก็เชื่อได้เดี๋ยวนี้เลยว่าข้างในมืดแท้และข้างนอกมีสิบ์มืดตามไม่ช้าก็เร็วเก้าแรก ของการจัดการกับความฟุ้งซ่านที่ง่ายที่สุดคือกว่าตามองไปรอบตัวแล้วถามตัวเองว่าข้าวของใดบ้างที่ทำให้รู้สึกรกรุงรังข้าวของใดบ้างที่ทำให้ความคิดขาดระเบียบห้องรกหัวก็รกแค่เข้าห้องก็รู้สึกรกหัวแล้วจัดของไม่เป็นระเบียบวิธีหาของ ก็ไม่เป็นระเบียบแค่พยายามหาความคิดก็ไม่เป็นระเบียบแล้วตื้นรกรกเต็มไปด้วยขยะในใจก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขยะแค่เปิดประตูรถขยะทางอารมณ์ก็ฟุ้งแล้วสมบัติรอบตัวเป็นอย่างไรวิธีคิดก็เป็นอย่างนั้นความคิดของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อให้ความคิดเป็นไปในทางสะสางความสกปรกสจัดเข้าของไว้เป็นที่เป็นทางเสมอๆอยากได้อะไรก็หาเจอง่ายย่อมมีพื้นฐานอารมณ์และวิธีคิดที่สะอาดมีความเป็นระบบแม้เมื่อใดเกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อนก็รับมือง่ายตามระบบระเบียบความคิดที่ถูกจัดเข้าที่เข้าทางไว้ดีแล้วลวงหน้า ส่วนคนที่ปล่อยข้าวของกระจัดกระจายจะมีพื้นฐานอารมณ์และวิธีคิดที่สศกโกรกไร้ระบบเหมือนกับที่คิดจะหาอะไรแต่ละทีต้องเดินวนกลับไปกลับมารอบบ้านแบบนี้แม้เมื่อเกิดปัญหาง่ายๆขึ้นมาก็รู้สึกว่ารับมือยากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนตรงไหนเอาไว้ทีหลัง จัดระเบียบให้ข้าวของรอบตัวได้ดีเพียงใดระเบียบทางความคิดก็มีแนวโน้มจะดีเพียงนั้นรูปประกอบมีคําถามว่าเก็บกวาดให้ตัวเองไม่พอยังต้องคอยตามเก็บให้คนอื่นด้วยนี่สิตอบว่าได้กําจัดต้นเหตุความปุ้งซ่านแล้วก็ล้างต้นเหตุความหมงุดหงิดไปในตัวไง